ทีมคนจีนวันนี้ดีนะรู้สึกตัวกันดีหน้าตาสดใสการปฏิบัติธรรมนะ่ะมันเรื่องเฉพาะตัวนะทางใครทางมันอยู่ที่เราเองเป็นเส้นทางที่เดินคนเดียว เราพอหนาก็เรียนรู้ตัวเองไปตัวใครตัวมันนั่นแหละเรียนรู้ตัวเองไม่ต้องไปดูตัวคนอื่นดูของเราเองดูกายดูใจไปให้มันเข้าใจตรงที่มันเข้าใจเรียกว่ามันมีปัญญามันมีปัญญาแล้วมันจะปล่อยวางมันจะไม่ยึดถือกายใจของตัวเอง มันไม่ยึดถือจิตมันก็เป็นอิสระขึ้นมามันปล่อยกายปล่อยใจไม่ยึดอะไรอีกจิตใจก็มีอิสระภาพขึ้นมามันมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขที่พวกเรารู้จักเนะี่ยเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวดิ้นรนหาความสุขมานะแป๊บเดียวมันก็หายไปความสุข ความสูงในธรรมะ ม, มันยั่งยืนจิตมันอิสระจิตมันไม่มีอะไรมาปูุกมัดใครทำก็ได้นะก็ทางใครทางมันตัวใครตัวมันหลวงพ่อก็ได้แต่บอกว่าขยานันภาวนาอะไรขยันหรือไม่ขยันก็แล้วแต่เวรแต่กรรมแนละ้ว ใครจะช่วยใครได้ใครจะอุ้มใครไปนิ่ผ่านได้ถ้าอุ้มได้พระพุทธเจ้าอุ้มไปหมดละนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางเราแต่ต้องเดินทางด้วยตัวของเราเองธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์สำหรับคนคนหนึ่งไม่มากหรอกมีไม่มากอะ เบื้องต้นตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนที่แรกต้องตั้งใจนะตั้งใจรักษาไว้ก่อนต่อไปก็พัฒนาการรักษาศีลให้สูงขึ้นไปโดยการมีสติรักษาจิตกิเลสอะไรเกิดขึ้นมันไม่เกิดที่อืน่นเกิดที่จิตที่เดียวกิเลสอะไเกิดขึ้นมีสติรู้ทันไป กิเลสมันจะดับดับของมันเองถ้าเราพยายามไปดับกิเลสนั่นจะยิ่งมีกิเลสโทสะซ้อนเข้าไปอีกงั้นเวลากิเลสเกิดมีสติรู้ไปรู้สบายสบายไปกิเลสก็จแสดงใจรักเหมือนกันเกิดได้ก็ดับได้กิเลสมันเกิดทีเผลอเวลาเราลืม กายลืมใจตัวเองไปกิเลสมันแอ บ, บเกิดได้ตามหลังความคิดไปเวลาเราลืมจิตใจตัวเองนะจิตใจก็ยันหนีไปคิดพอจิตใจหนีไปคิดนะกิเลสก็เกิดได้ที่จริงหนีไปคิดแล้วกุศลก็เกิดได้นะแต่ส่วนใหญ่ของพวกเราหนีไปคิดแล้วกิเลสนเกิดกุศลมันไม่ค่อยเกิดไม่คุ้นเคยพอกิเลสเกิดเรามีสติรู้ว่าว้าว มีกิเลสนี่กิเลสเกิดก่อนมีสติตามรู้ทันทีที่มีสติจิตก็หลุดออกจากโลกของความคิดจิตรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมามีสติรู้ตั ว, ตตวจิตไม่หลงจิตไม่หลงกิเลสมันก็หมดละตัวหลงเป็นตัวพ่อตัวแม่ของกิเลส ถ้าไม่หลงก็จะไม่โลภถ้าไม่หลงก็ไม่โกรธจิตหลงก็คือเป็นขาดสติมันลืมที่จะระลึกรู้รูปนามของตัวเองอเดยเฉพาะถ้าเราหัดภาวนานะตัดเข้ามาที่จิตเลยดีที่สุดเป็นทางปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดกิเลสเกิดที่จิตภูสนเกิดที่จิต มรรคผลก็เกิดที่จิตเรียนรู้ลงที่จิตเลยอจิตมันหลงไปมีสติรู้ทันว่าจิตมันหลงไปจิตมจะตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดความเห็นกนะิเลส ท, ที่มีอยู่นะมันเป็นอดีตไปหมดละตอนที่เกิดสติขึ้นมานะั้นในขณนะนั้นไม่มีกิเลสเรียบร้อยไปแล้ว อย่างมากที่สุดจะมีสัญญาจำได้ว่าเมื่อกี้มีกิเลสถ้าสติปัญญาเราไม่พอนะเราจะรู้สึกว่ากำลังโกรธอยู่แล้วเรามีสติรู้ว่ากำลังโกรธนะอันนี้สติเราไม่เร็วจริงปัญญาเราไม่เข้าใจจริงกิเลสกับสติไม่มีวันเกิดร่วมกันไม่มีทางเกิดพร้อมกันเลย งันเวลาเราภาวนาแล้วมีกิเลสเกิดขึ้นอย่าไปตกใจไม่ต้องหาทางละให้รู้ว่ามีกิเลสมันจะเห็นว่าจิตที่มีกิเลสนั้นเป็นจิตตะกี้นี้จิตปัจจุบันคือจิตที่รู้ว่าตะกี้นี้มีกิเลสงั้นจิตที่เป็นปัจจุบันมีสติอยู่เนี่ยไม่มีกิเลสมาตั้งแต่เกิดละจิตดวนี้เกิดมาโดยที่ไม่มีกิเลสเป็นจิตที่เป็นกุศล จิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เป็นอกุศลเกิดพร้อมกันไม่ได้มีทางเลือกอันใดหนึ่งเทราะะฉนั้นถ้าเป็นอกุศลก็ไม่เป็นกุศลถ้าเป็นกุศลก็ไม่เป็นอกุศลงั้นจิตหลงไปหรือจิตโกรธไปจิตโลภไปนี่เป็นจิตอกุศลพอามีสติเกิดขึ้นในขณะที่มีสติเกิดขึ้นเกิดจิตที่เป็นกุศลเรียบร้อยละจิตที่เป็นอกุศลนั้นเป็นอดีตเพียงแต่ว่าบางที มันอ้อยสร้อยอ้อยิงนะสัญญามันเข้าไปจาไว้มันก็เลยคิดว่าเราอย่างโกรธอยู่ถ้าดูเป็นนะจะเห็นนะขณะที่รู้สึกขึ้นมาเนี้ยกิเลสดับเรียบร้อยไปแล้วความโลภเป็นอดีตความโกรธเป็นอดีตความหลงก็เป็นอดีตไปหมดแล้วงั้นเวลาที่เราดูจิตดูใจเนี้ยจะไม่มีกิเลสให้ละนะไม่ใช่ดูเพื่อละกิเลสเพราะไม่มีกิเลสจะให้ละ เงินเวลาจิตมีโทสะอย่าคลุ่มใจว่าโอ๊ยทำไมจิตขี้โมโหมันเกิดสลับกันจิตโกรธเกิดขึ้นแล้ามีสติรู้ว่าจิตโกรธตรงที่มีสติเนี่ยจิตเป็นกุศลถัดจากนั้นกลัวว่าจะยังโกรธอีกก็นะพยายามบังคับตัวเองไม่ให้โกรธเพราะมันไม่ชอบ มันไม่ชอบห้จิต ท, ที่โกรธตรงที่มันไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยมันเกิดโกรธขึ้นมาอีกรอบหนึ่งละคนละตัวกันกับโกรธตัวแรกนะอย่างทีแรกเราเห็นคนนี้เราเกลียดขี้หน้ามันจิตมีโทสะเกิดขึ้นต่อมาเรามีสติจิตเป็นกุศลแล้วรู้ว่าเมื่อกี้มีโทสะแต่คนทั่วไปมันทำไม่ได้มองไม่ออกแยกไม่ออกว่าจิต ท, ที่มีกิเลสนั้นเกิดแล้วดับ จิตที่เป็นกุศลเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ดูไม่ออกความจํามันก็หลอกเอานะว่าโอ๊ยเรากําลังโกรธอยู่แล้วไม่ชอบไม่ชอบที่จิตโกรธตรงที่ไม่ชอบว่าจิตโกรธเนี่ยเป็นความโกรธครั้งที่สองความโกรดอีกรอบหนึ่งละ้ะคนละตัวกันเกิดตัวแรกตัวแรกโกรธคนอื่นตัวที่สองมันมาโกรธกิเลสตัวเองนะคนละตัวกัน ถ้าเรารู้ทันจิตลงไปอีกนะอย่างเรารู้เป็นช็อตๆนะทีแรกจิตมันโกรธโกรธคนอื่นเนะี่ยขณะที่โกรธนั้นเราไม่มีสติเราไม่รู้เราว่ากำลังโกรธ ถ, ถ้าสักพักหนึ่งสติเกิดขึ้นเราลึกได้ว่าจิตตะกี้นียมันโกรธอยู่เป็นจิตตะกี้นี้นะไม่ใช่จิตเดียวนี้จิตตะกี้มันโกรธเนี่ย แต่ถ้าดูไม่เป็นก็จะคิดว่าจิตโกรธแล้วตอนเนี้ยจิตตดวงเดิมแหละรู้ว่ามันโกรธแล้วก็จิตก็หงุดหงิดว่าทําไมมันโกรธบ่อยะตังที่จิตมันหงุดหงิดว่าทําไมมันโกรธบ่อยมันอยากจะไม่โกรธอีกนอยากจะหายโกรธนตัวเนี้ยมันมีความโกรธซ้อนเข้ามาเยอะแยะเลยซอน ซ, อนซ้อนซ้อนซ้อนเข้าไปถ้าเรามีสติรู้ทันนะการภาวนาของเราก็จะรับรื่น อย่างจิตมันโกรธขึ้นมาเรามีสติรู้ว่าโกรธนะไม่ต้องลานะไม่ต้องดับให้รู้เพราะว่าไม่มีแล้วความโกรธเป็นอดีตไปแล้วแล้วใจมันเกิดไม่ชอบมันไม่อยากโกรธอีกเนี่ยเกิดยินร้ายกับความโกรธมีสติรู้ว่ายินร้ายนะมันมีโกรธซ้อนโกรธแล้วงั้นเวลาภาวนานะรู้สภาวะที่เกิดขึ้นนะ รู้สภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตยินดียินร้ายให้รู้ทันลงไปอีกทีหนึ่งนะไม่งั้นจิตมันแอบทํางานต่อโดยเราไม่รู้จับหลักได้ไหมมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นมีสติรู้สภาวะนั้นถ้าหากจิตยินดีให้รู้ทันถ้าหากจิตยินร้ายให้รู้ทันตรงที่เรารู้ทันยินดียินร้ายนะจิตนี้จะเป็นกลางขึ้นมา หมดความยิดีร้ายจิตเป็นกลางเขาเนี้ยเราจะรู้สภาวะทั้งหลายนะถ้ามันเกิดเค้นอีกเรารู้ด้วยจิตที่เป็นกลางไว้เมอรู้ไปเรื่อยๆทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วที่ชั่วเนียจะเกิดตอนตอนหลงตอนเผลอไปดีเนียมีสติแต่บางทีเป็นสติธรรมดาไม่ใช่สติปัฏฐานอย่างเราเห็นพระเดินมา ใ, ใจเราเลื่อมใสเมื่อเช้านี้ใครได้ใส่บาตรบ้างมีไหมมาเอาข้าวที่วัดใสเปล่าไม่รู้บุญอยู่ตรงไหนบุญอยู่ที่ใสทําให้ข้าวผลเปื่อนมากขึ้นนะผ่านกระบวนการมากขึ้นเ <c oughs> มื่อก่อนหลวงพ่อก็ไปวัดป่านะเว <c oughs> ลาเขาใส่บาตรไม่พ่อไปใสอ่ะ <c oughs> จงเป็นวันแรกๆนะเราซื้อของไปอะไรเ้าก็ไปใส วิธีใส่บาตรของชาววัดก็คือไปเอาข้าวที่ครัวใส่ถ้วยมามีช้อนหนึ่งอันใครตักใส่บาตรเราดูมบุญมันอยู่ที่ไหนวะนะไม่ค่อยยอมไปใส่อ่ะเพราะว่าคิดมากคิดมากวันหนึ่งก็คนอื่นเขาใส่นะเขาก็ถามว่าทําไมไม่ออกไปใส่บาตรนึกว่าเราขี้เกียจนอนไม่ตื่นเลยไปใส่ซะหน่อย ไปเคข้าวเข้ามาตือช้อนรอครูบาอาจารย์ผ่านมาเห็ น, นเฮ้ยประโมดมาใส่กับเขาด้วยท่านแสวเลยหลวงพ่อก็ล่งออกไปนะด้วยความรู้สึกจริงใจมากเลยแล้วก็รู้สึกไม่ควรพูดเลยจิตมันหลุดออกไปนะท่านบอกว่าประโมดมาใส่บายกับเขาด้วยพ่อตอบไป ผมใส่เป็นกิริยาไปอย่างนั้นแหละไม่ได้รู้สึกแช่มชื่นเลยสักนิดเลยนะเป็นกิริยาท่านหัวเราะเออฉลาดแต่คนข้างๆเรานะมองด้วยสายตาไม่ค่อยเป็นมิตรละหลังแล้วต้องทำลืมลืมนะกลมกลืนไปพูดความจริงเกินไปก็ไม่ดีนะ คนเราทนไม่ไหวมันเป็นธรรมดานะถ้าเราภาวนาแล้วเนี่ยบุญระดับล่างอกไปมันจืดมันจืดมันเหมือนเราเคยกินของอร่อยนะแล้วไปต้องไปกินของอะไรที่มันไม่ถูกใจอะ่ะมันมันจืดชืดสมัยยากจนกินอย่างนี้อร่อยละ ต่อมารวยขึ้นมากินอย่างนี้ไม่อร่อยแล้วต้องกินอย่างอื่นพิถีพิถันมากขึ้นเรื่องของจิตก็เหมือนกันตอนแรกๆเราทำทานอะไรนิดหนึ่งนะเราก็แช่มชื่นใจเราถือศีลได้เราก็แช่มชื่นใจเราทำสมาธิจิตรวมนะเราก็แช่มชื่นใจเราภาวนาเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเป็นระดับระดับไปมันก็แช่มชื่นใจ แต่พอจิตมันสูงขึ้นสูงขึ้นนะ่ะอย่างพอเราภาวนาเข้าฌานได้เรื่อยๆนะให้เราไปใส่บาตรเนี่ยมันไม่แช่มชื่นแล้วมันรู้สึกธรรมดานะให้ถือศีลก็ศีลนี่ก็รักษามาทุกวันจนเป็นปกติแล้วนะเป็นศีลปกติไปแล้วทำไปมันก็ไม่แช่มชื่นแล้วเฉยๆทำไปแล้วเฉยๆฉย เงีเวลาจิตมันมีบุญบารมีมากขึ้นมากขึ้นนะของข้างล่างลงไปเนะี่ยมันทำด้วยความเคยชินละทำไห้ทำทำทานถือศีลทำแต่ทำแล้วมันไม่ไม่อินละอย่างโรงพ่อภาวนาสันเป็นโยมนะถ้าวันไหนจิตรวมเฉยเฉยมันก็รวมอยู่อย่างนี้แหละแต่วันไหนเกิดความรู้ ความเข้าใจบางอย่างเกิดขึ้นนะ ม, มีปัญญาเกิดขึ้นโอ้ยมันดีใจนะมันซาบซึง้งตื่นเต้นรีบไปรายงานครูบาอาจารย์เลยเนะี่ยเข้าใจอันนี้ขึ้นมาแล้วเข้าใจอย่างนี้ละเนะี่ยใจมันเป็นอย่างนี้นี่เราพยายามมีสตินะรู้เท่าทันใจของเราไปเรื่อยใจมันจะค่อยๆสูงขึ้นนะอย่างขั้นแรกเลยจากไม่มีศีลมันจะมีศีลขึ้นมา เพราะว่าเวลาผิดศีลเนี่ยมันผิดด้วยอำนาจของกิเลสเราเห็นวนะ่ากิเลสเป็นของหน้ากเกลียดหน้าชังนะกิเลสเป็นของหน้ากลัวนะผลที่เราทําตามมันนะก็เป็นความทุกข์ไม่แช่มชื่นใจตามใจกิเลสแล้วไม่ไม่สดชื่นเนี่ยพอเราเห็นอย่างนี้นะมีปัญญาเราเข้าใจอย่างนะี้การจะรักษาศีลก็าทาง่าย รักษาทีแรกตั้งใจรักษาต่อมามีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองเรื่อยๆไปเห็นเลยเวลามีกิเลสเกิดเนี่ยจิตใจดูไม่สวยไม่งามเลยดูแย่ดูน่าเกลียดใครเคยเห็นเวลากิเลสเกิดแล้วน่าเกลียดรู้สึกบ้างไหมเคยเห็นไหมหน้าตายังน่าเกลียดเลยนะอย่างเวลาคนโกรธหน้าตาน่าดูไหมไม่น่าดูคนมีราคารุนแรงหืนหืนอย่างเงี้ยนะ หน้าตาหน้าดูไหมไม่น่าดูะไม่ต้องดูคนอื่นนะดูตัวเองเวลาเรามีกิเลสนะแล้วลองนึกถึงหน้าตัวเองดูไปลองทําดูนะนี่เป็นกรรมฐานที่น่าเล่นอันหนึ่งเลยเวลามีความรู้สึกอะไรนึกถึงหน้าตัวเองนะตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงดูเข้าไปเลยแล้วจะรู้สึกว่ากิเลสมันน่าเกลียดต่อไปทนไม่ได้เลยนะโกรธขึ้นมาเนี่ยคนแรกที่ทุเล่ะคือตัวเอง โลพขึ้นมาคนแรกที่ทุเลตนะคือตัวเองมันเห็นอย่างนี้ต่อไปมันจะรู้สึกว่ากิเลสเฟนของน่าเกลียดน่ากลัวไม่น่าน่ารักเท่าไหร่ไม่น่าสนใจต่อไปพากิเลสมาสติเห็นเลยมันคล้ายๆมันรู้แล้วเป็นของไม่ดีคอยระวังนะจิตมันคอยระวังมันตื่นตัวกิเลสเกิดปุ๊บสติมันระลึกปั๊บ กิเลสมีอายุสั้นไม่ใช่โกรธทิ้งเป็นชั่วโมงนกะ็โกรธวับขึ้นมาสติะระลึกแล้วกิเลสก็ดับแล้วนะฝึกเรื่อยๆจะเห็นนะเวลากิเลสเกิดพอรู้ปับ๊บดับปั๊บเลยไม่ใช่อ้อยยิงนะค่อยๆดับไม่ใช่ไม่ใช่ค่อยๆเฟดอพรานั้นดูยังไม่ค่อยเป็นนะถ้าดูเป็นเนี่ยดับปั๊บเลยเราจะรู้ว่าเวลาเรามีสติเนะี่ยจะไม่มีกิเลสให้ละ ยังมองเห็นกิเลสอยู่ไปสังเกตให้เดียวกโกรธอยู่แล้วเนี่ยกําลังกโกรธอยู่เนี่ยในขณะนั้นนะต้องมีกิเลสซ้อนเข้ามาอีกตัวหนึ่งละก็คือไอ้ตัวที่ไม่ชอบความกโกรธตัวแรกนั่นแหละซ้อนอยู่ในใจเมื่อไหร่มึงจะหายสักที่ยชกผิดคู่โชคละคู่ชกตัวเก่ามันหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้คู่ชคตัวใหม่กําลังซ้อมเราอยู่เราไม่เห็นนะมันแพ้กันตรงนี้ เพราะนเวลาเราเห็นกิเลสนะเกิดขึ้นใจเราไม่เป็นกลางรู้ทันหรือเห็นกุศลเกิดขึ้นใจไม่เป็นกลางก็ต้องรู้ทันนะกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่มีสติคอยรู้เท่าทันจิตใ จ, ใจตัวเองมันพลิกเป็นอักกุศลได้นะกุศลเนพลิกเป็นอกุศลได้ง่ายๆเลยอย่างเรามีความเมตตาเมตตามีความเมตตาภาษาพระเมตตานะ ภาษายุคนี้ก็คือมีความเป็น myth. มิตรเมตตากับไมตรีกับมิตรเนี่ยคาเดียวกันนะรากศัพท์เรารู้สึกเป็นมิตรกับคนเนี้ยเนี่ยฟังอย่างนี้รู้เรื่องไหมรู้สึกเมตตาเขาต้องไปมองหน้าเขานะสัเพสัตตาห่ือย่างนี้ไม่ใช่นะนั่นมีแต่เปลือกนะความเมตตาคือความรู้สึกเป็นมิตร เวลาที่เราเป็นมิตรกับใครเราทําร้ายเขาไหมไม่ทําใช่ไห ม, ไ ม, ไหมเป็นมิตรมากๆเข้าดีไม่ ด, ดีพลาดพลัง้งไปรักเขาเข้านะคนนี้เป็นมิตรพิเศษนะเป็นมิตรแบบพิเศษนะใกล้ชิดพิเศษตรงที่ไปรักไปผูกพันกับเขาเนี่ยราคานะงั้นถ้าเราไม่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองนะกระทั่งกุศลเนนะี่ยยังพลิกเป็นกิเลสได้เลย มีความเป็นมิตรกับเขาในที่สุดก็ไปชอบเขาไปพอใจเขาไม่เฉพาะต่างเพศนะมันอย่างเพื่อนกันเนี่ยพบกันเป็นมิตรกันนะมันก็ผูกพันกันนะเพื่อนเราไปโชคกับคนอื่นเราก็ต้องไปโชคกับเขาด้วยต้องไปช่วยกันอะไรเงี้ยนะไปทําช่วยกันหรือกรุณานะเมันฟลิกเป็นโทสะได้นะกรุณานะอย่างเรามีลูก ลูกเราไปวิ่งข้างถนนเรากลัวรถชนลูกเราบาดเจ็บห้ามไม่ฟังนะเราก็โมโหนะกรุณานาเลยพลิกเป็นโทสะตีมันเลยลูกยังไม่ทันถูกรถเฉียวเลยนะบาดเจ็บเพราแม่ตีแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาตีลูกกันแม่หรือเขาเลิกแล้วแต่ครูไม่ตีนักเรียนแล้วกลัวถูกฟ้องนะนักเรียนแทบจะลูกหัวครูแล้วยามาใช้ที่นี่นะ หลวงพ่ อ, อยังเป็นครูรุ่นเก่าเดี่ย ว, ยวนะมาลูกผัวเราเล่นไม่ถือหรอกแต่ว่ามันไม่งามไม่มีวัฒนธรรมเนี่ยเฝ้ารู้ที่ใจของเราไปเรื่อยๆนะใจมันเป็นกุศลมาเรารู้ใจมันเป็นอกุศลมาเรารู้เวลาจิตเป็นอกุศลเรามีสติรู้ทันอกุศลดับเกิดจิตที่เป็นกุศล เวลามีกุศลนะแล้วเราไม่มีสติคอยดูแลมันก็พีิกเป็นอกุศลได้เพราะนกุศลก็ยังไว้ใจไม่ได้พร้อมจะเสื่อมสลายกลายเป็นอกุศลได้อีกเพรานั้นสิ่งที่สําคัญคือมีสติตามระลึกรู้จิตใจตนเองเนืองเน ง, เ น, งนะไม่ได้ว่ารู้ตลอดเวลานะแต่รู้เนืองเนืองเนืองเนืองเพะบ่อยๆนะไม่ใช่ชื่อแหนมนะเนี่ย ร, รู้บ่อยๆในภาษาสมัยการที่ห้ารู้เนืองเนืองมาถึงยุคเราเนี่ยเวียนหัวเอะไรว่ารู้เนืองเนืองรู้บ่อยๆไม่ใช่รู้ตลอดเวลาระหว่างบ่อยๆกับตลอดเวลาไม่เหมือนกันนึกออกไหมเนี่ยต้องเปลี่ยนภาษาเหมือนกัน่ะอรู้บ่อยๆนะจิตมีกิเลสขึ้มาก็รู้นะบางทีก็ไม่รู้ไม่เป็นไรรู้เมื่อไหร่ก็เอาเมื่อนั้นอนะ แต่ว่าการที่เราหัดรู้กิเลสนะอย่างเรารู้ความโกรธเนะี่ยต่อไปจิตมันจําความโกรธได้แม่นขึ้นมันจ ะ, ะระลึกได้เร็วขึ้นเลยด้วยโดยที่เราไม่ได้เจตนานะอย่างหลวงพ่อนะถ้าจิตขยับปั๊บเนี่ยมันเห็นเองตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะจิตขยับตัวก็เห็นลวนะวหรือจิตจะไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอะไรเนะี่ยมันก็รูนะ้จิตสุขจิตเฉยเฉยอะไรเงี้ยก็รู้ะ จิตเป็นยังไงมันก็รู้ไปได้ได้ทําไมมันรู้ได้ทําไมสติมันเกิดบ่อยเกิดเร็วนะเพราะเรารู้จักสภาวะอย่างเราอยากรู้จักความโกรธเราก็ดูจิตโกรธเมื่อไหร่เราก็ดูไปเนี่ยความโกรธหน้าตาเป็นอย่างเนี้ยไม่ใช่ดูเพื่อละนะดูเพื่อทําความรู้จักมันนะพอเรารู้จักมันต่อไปพราะความขัดใจเล็กๆเกิดขึ้นมาเรารู้เลยเฮ้ยเริ่มโกรธละ ความขัดใจก็เป็นความโกรธอย่างหนึ่งนะแต่เป็นความโกรธตัวเล็กๆหน่อยนะเวลาโกรธแบบเลือดขึ้นหน้านี้โกรธตัวใหญ่หน่อยก่อนที่มันจะตัวใหญ่มันมาจากตัวเล็กเท่านั้นแหละก่อนไฟจะไหม้ใหญ่ๆมันก็มาจากไฟจุดเล็กๆนี่แหละเนี่ยแล้วมีสติเรื่อยๆต่อไปไฟยังไม่ทันไหม้นะสปาร์คนิดเดียวเห็นแล้วจิตไหวตัวขึ้นมาเรื่องความไม่พอใจนะเห็นละดับตรงนั้นเลย ดับตั้งแต่ไฟยังกองเล็กอยู่ไม่ต้องรอให้ไฟไหม้บ้านไปแล้วถึงจะหาเรียกรถดับเพลิงมาดับเนี่ยเรารู้ทันกิเลสตัวเองนะทีแรกต้องกิเลสใหญ่ก่อนถึงจะเห็นพอหันดูบ่อยๆนะกิเลสเล็กๆเราก็เห็นละพอกิเลสเล็กๆเห็นเนี่ยการพาวนาเราจะรับรื่นง่ายขึ้นละไม่ต้องทุกข์ทรมานเพราะกิเลสหยาบๆงั้นยิ่งพาวนายิ่งรู้สึกมีความสุขนะ ใจิตใจยิ่งสงบสุขมากขึ้นมากขึ้นเพราะกิเลสมันบางมันเบาบางลงเรื่อยๆนะแต่วันดีคืนดีเวลากระทบอารมณ์แรงๆนะอย่างสมมติว่าเราภาวนาโอ้ยดีเจ๋งมากนะบางทีเหมิมเกลิมขึ้นมาเลยนะต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนี้ไม่กลัวอีกแล้วนะปรากฏว่าแฟนเราทิ้งคราวนี้แหละมึง นโกรธละวราวนี้นะพังภาพเลยจิตที่ว่าเจ๋งดีสุดจิตไปเจอบททดสอบแรงๆเขานะพังภาพเลยนะไม่ยังประมาทไม่ได้นะในภูมิจิตภูมิธรรมพวกเราเนี่ยอย่าดูถูกกิเลสนะกิเลสตัวเล็กตัวน้อยเนยะอย่าไปดูเรื่องความโอ้กระจอกยิ้มย้อมันนะถึงวันที่มันตีคืนเนี่ยไม่ใช่เล่นเลยเวลา ยิ้มยอ่อกิเลสมีเหมือนกันนะที่จิตยิ้มยอ่อกิเลตเองตอนที่เกิดอริยมรรคเนี่ยบางทีจิตมันยิ้มยอ่อกิเลตอันนี้เป็นสัมนวนลงปูดุลท่านเรียกว่าจิตยิ้มมถามว่าทําไมมันยิ้มมันยิ้มยิ้มทําไมท่านบอกมันยิ้มเยอะเยอะกิเลเมื่อต่อไปนี้มึงหลอกกูไม่ได้แล้วนะกูฆ่ามึงตายแล้วมาอีกไม่ได้แล้ว เนี่ยจิตมันจะเบิกบานขึ้นมาหลวงปู่ดูลนั่นเรียกว่าจิตยิ้มนะไม่ใช่ยิ้มยก่กเกเรคนอื่นนะยิ้มยอ่อเหเรตัวเองเมืนะ่อก่อนมีป้าคนหนึ่งนะนะป้านี้อยู่กับครูบาอาจารยนะ์วันหนึ่งได้ยินหลวงปู่ดูลเทพเราพระองหลวงปู่ดูลพูดเรื่องจิตยิ้มป้าแกก็ภาวนาต่อให้ลูกลศิษย์หลวงปู่เทพ หลวงปู่ดูลไปเยี่ยมหลวงปู่เทศนะเยี่ยมแล้วก็แสดงธรรมหลวงปู่เทศอารัธนาแสดงธรรมแสดงธรรมเสร็จแล้วหลวงปู่ดูนก็กลับสุลินพวกลูกศิษย์หลวงปู่เทศก็ภาวนากันป้านี่ก็ไปบอกหลวงปู่เทศนะว่าจิตข้าน้อยยิ้มแล้วล่ะหลวงปู่ถามยิ้มยังไงมันยิ้มย่อกิเลส ใครเขามีกิเลสนะค่าน้อยยิ้มเยาะหมดเลยนะหลวงปูกไม่ใช่นะไม่ใช่นอนยักกิเลสตัวเองแล้เองหลอกข้าไม่ได้อีกละไม่ใช่เยัะ ก, กิเลสคนอื่นเนี่ยคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยนะกิเลสอะไรเกิดแล้วรู้กิเลสอะไรเกิดแล้วรู้ทําไมเน้นที่กิเลสเพราะมันเกิดบ่อยกุศลไม่ค่อยเกิดออกกิเลสมันเกิดบ่อยเชื่อไหมกิเลส ตัวที่หนึ่งนะหัวโจกคือตัวหลงหลงบ่อยไหมหลงแทบทั้งวันเลยบางคนหลงทั้งแต่ตื่นจนหลับเลยนะใหญ่านีน้นั่งภาวนาเขากาลังหลงอยู่กําลังหลงแต่งจิตนะนนแต่งอันนี้หลงนะงั้นหลงเนี่ยเกิดบ่อยนะกิเลสเกิดบ่อยงั้นเราก็เรียนรู้จากไอ้ของที่เกิดบ่อยนี่แหละ จิตมีกิเลสแล้วรู้ทันมีกิเลสแล้วรู้ทันดูไปเรื่อยๆต่อไปสติเราก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นกิเลสตัวเล็กๆไหวตัวขึ้นมาก็เห็นละขาดสะบั้นไปเลยใจเราก็จะยิ่งมีความสุขพอใจเราร่มเย็นเป็นสุขแล้วนะอย่าติดอยู่ในความสุขติดอยู่ในความสุขเป็นกิเลสอีกเป็นราคาะใจใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขไม่ติดเสร็จแล้วก็จเจริญปัญญาไป ดูความจริงของร่างกายดูความจริงของจิตใจไปไม่ใช่ทําจิตสงบสุขอยู่เฉยๆนะอย่างนั้นไม่พอหรอกเดี๋ยววันหลังมันก็เสื่อมพอเจอปัญหาชีวิตร้ายแรงมันเสื่อมหมดเลยนะยงนั้นลําพังมีสติมีสมาธิยังไว้ใจไม่ได้ต้องพัฒนาปัญญานะพอจิตเรารู้เนื้อรู้ตัวแล้วจิตหลงไปเรารู้ท่านปุ๊บจิตตื่นขึ้นมาเนะีนะ่ยค่อยๆดูไปเรื่อยๆทําบ่อยๆ จิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้บ่อยๆแต่ไปปัญญามจะเกิดจะรู้ว่าจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ห้ามไม่ได้จิตรู้ก็รักษาไม่ได้ที่จริงจะรักษาก็รักษาได้แต่รักษาได้ชั่วคราวรักษาได้ด้วยฌานแต่อย่าไปรักษาถ้ารักษาแล้วจะเกิดความเห็นผิดว่ากูเก่งให้มันมีจิตรู้ขึ้นมาแล้วพอจิตรู้มันทํางานมันจะเป็นจิตหลง ก็เห็นว่าจิตรู้เกิดแล้วดับจิตหลงเกิดแล้วดับเนี่ยคอยรู้อย่างนี้ไร้่อยๆไปต่อไปปัญญามันจะปิ๊งขึ้นมานะจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับถ้าเห็นตรงนี้ได้จิตทุกชนิดเกิดแล้วดั บ, ด จ, ดดดบจิตทั้งหลายไม่มีอะไรที่เรียกว่าตัวตนถาวรเลยความรู้สึกเป็นตัวตนถาวรเนี่ยไม่มีมีแต่ความคิดความสำคัญผิดว่ามีตัวเราตัวเราขึ้นมาเป็นคลาล พวกเราใครภาวนาแล้วเคยเห็นแล้วบ้างว่าความรู้สึกเป็นตัวเราเกิดขึ้นเป็นคราวๆไม่ได้มีตลอดวันใครเห็นตรงนี้แล้วยกมือซิใครเห็นว่ามีเราอยู่ทั้งวันเลยยกมือซิในพวกที่เหลือพวกที่เหลือยังไม่เห็นอะไรเลยนะหรือไง <laughs> รู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งถ้าภาวนาไม่เป็นก็มองไม่เห็นว่ามันมีเราแต่ว่า กูอย่างง้นกูอย่างงี้เต้นแรงเต้นกะออกข้างนอกไปเลยหัดภาวนาใหม่ๆก็เห็นมีเราอยู่นี้คนหนึ่งจิตนี่แหละคือตัวเรานะภาวนาไปเรื่อยเรื่ยเห็นไหมหจิตเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกเป็นเราบางทีมันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมานะสุดท้ายปัญญาแก่รอบทีิจิตไม่ใช่เราแล้วเป็นเราไม่มีคําว่าเป็นเราไม่มีมีแต่วาทะว่าเป็นเรามีแต่คําเรียกขาน อย่างพระโสดาสกทาคาพระนาคาพระอรหันต์เนี่ยไม่เห็นหรอกว่าจิตเป็นเรานะแต่ว่ายังพูดยังพูดว่ามีเราอย่างโน้นเราอย่างนี้พูดเพื่อสื่อสารนะแต่ไม่ได้พูดด้วยความสําคัญผิดค่อยๆฝึกนะหาจรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปนะแล้วจิตก็จะค่อยๆพัฒนาไปพอมีปัญญาขึ้นมาเมื่อสู้กิเลสไว้ ถ้าเรามีศีลมีสมาธิยังสู้กิเลสไม่ได้วันหนึ่งเกิดปัญหาชีวิตร้ายแรงขึ้นมากิเลสก็แรงแรงเกินไปสติปัญญาเราสู้ไม่ไหวแล้วเะฉะนั้นต้องฝึกซ้อมนะพะจิตมีกำลังแล้วเนี่ยเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปดูดูความจริงของกายของใ จ, จเจริญปัญญาไปนะได้จเจริญปัญญาได้เต็มที่แล้วอริยมรรคจะเกิดขึ้น ตอนที่อริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยมันฆ่ากิเลสละปัญญาเนี่ยแค่ตัดกิเลสได้เป็นคร่าวๆนะเดี๋ยววันหลังมันก็ขึ้นมาอีกจนกระทั่งเกิดปัญญาในอริยมรรคเป็นโลกุตตะปัญญาถึอยะฆ่ากิเลสได้อย่างแท้จริงถ้าเป็นปัญญาอย่างพวกเราเนี่ยเรียกโลกียะปัญญาปัญญาผีเข้าผีออกบางวันก็ชนะกิเลสบางวันก็แพ้กิเลส รู้จักไหมผีเข้าผีออกสำนวนโบราณเดี๋ยวนี้จะเรียกว่าอะไรเดียเนี่ยหลวงพ่อลาบากมากเลยนะเทศมาบวชมานานแล้วเนี่ยเริ่มไม่รู้ศัพท์ของคนสมัยใหม่สงสัยต้องไปหาโทรทัศน์มานั่งดูแต่อย่าซื้อมานะเดี๋ยวได้ยินเลยรีบซื้อมาอันนี้เป็นสำนวนเปรียบเลยนะตามสำนวนคนยุคนี้ไม่ทัน อีกร้อยปีข้างหน้าคนมาฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยจะต้องมีคนแปลเหมือนที่เราฟังภาษาสมัยการที่ห้าเราต้องมีคนแปลเนี่ยเอาไปกินข้าวอันนี้ต้องแปลไหมบางคนบอกจา ก, กินทิซซ่าไม่กินข้าวนี่หมดเลยครับ